นำไปสู่ฌานวิปัสสนานำไปสู่ญาณที่พูดว่าสมถะอาจให้ได้อภิญยาห้าซึ่งได้แก่ญาณต่างๆพวกหนึ่งนั้นความจริงก็ต้องให้ได้ฌานก่อนแล้วจึงน้อมจิตที่เป็นสมาธิพร้อมดีด้วยกำลังฌานนั้นไปเพื่อญาณจำพวกอภิญยาอีกต่อหนึ่งถ้าพูดใ้เคร่งครัดจึงต้องว่าสมถะล้ว น, วนจบหรือสิ้นสุดลงเพียงแค่ฌาน คือไม่เกินเนวะสัญญานาสัญญาญาตนะฌานผู้ปฏิบัติสมถะถ้าตามสัญนวนแบบเรียกว่าบำเพ็ญสมถะหรือเจริญสมถะผู้ปฏิบัติสมถะอาจทำแต่สมถะอย่างเดียวโดยมุ่งหวังจะชื่นชมเสพผลของสมถะคือฌานสมาบัติและอภิญญาทั้งห้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับวิปัสสนาเลยก็ได้เรียกว่าหยุดอยู่เพียงขั้นสมาธิไม่ก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญา แต่ผู้ปฏิบัติวิปัสนาต้องอาศัยสมถะไม่มากก็น้อยคืออาจเจริญสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนแล้วจึงก้าวต่อไปสู่วิปัสนาคือเอาฌานเป็นบาทของวิปัสนาเรียกว่าเจริญวิปัสนาที่มีฌานเป็นบาตก็ได้อาจเริ่มเจริญวิปัสนาไปก่อนแล้วจึงเจริญสมถะตามหลังก็ได้หรืออาจเจริญทั้งสมถะและวิปัสนาควบคู่กันไปก็ได้แม้แต่ผู้ที่ได้ชื่อว่า สุดทวิปัสสนาญาณิกคือเจริญแต่วิปัสสนาอย่างเดียวล้วนไม่อาศัยสมถะเลยก็หมายถึงไม่อาศัยสมถะในความหมายโดยนิ ป, ปริยายหรือความหมายจำเพาะที่เคร่งครัดคือไม่ได้ทําสมถะจนได้ฌานสมาบัติก่อนเจริญวิปัสสนาแต่ตามความเป็นจริงก็อาศัยสมถะในความหมายอย่างกว้างๆคืออาศัยสมาธินั่นเองสมาธิของผู้เจริญวิปัสสนาแบบนี้อาจเริ่มต้นด้วยคณิกะสมาธิ หรือสมาธิชั่วขณะก็ได้แต่เมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผลสมาธินั้นจะแน่วแน่สนิทเป็นอั ป, ปนาสมาธิถึงระดับปฐมฌานคือฌานที่หนึ่งหรือรูปฌานที่หนึ่งผลที่เกิดจากสมถะอย่างเดียวไม่ว่าจะเป็นฌานสมาบัติหรืออภิญญาที่สูงพิเศษเพียงไรก็ยังเป็นโลกีเป็นของปุตชนคือคนมีกิเลสเสื่อมถอยได้เช่นฤทธิ์ที่พระเทวทัตได้ เจโตวิมุตต์ของพระโคติกะและฌานสมาบัติของพระพิสุสามมาเนรฤษีและคฤือหัดบางท่านที่มีเรื่องเล่าต่อกันมาในคัมภีร์ต่างๆฌานสมาบัติและอภิญญาที่เกิดจากสมถะนั้นเป็นของมีมาก่อนพุทธกาลเช่นอาลาระดาบทการามโคตได้ถึงอารูปปชาตที่สอุตตกดาบทรามบุตรได้ถึงอารูปปชาตที่สี่เป็นต้น เป็นของมีได้ในลัทธิภายนอกพระพุทธศาสนามีใช่จุดหมายของพระพุทธศาสนาเพราะไม่ทำให้หลุดพ้นจากกิเลสและทุกข์ได้อย่างแท้จริงนักบวชบางลัทธิทำสมาธิจนได้ฌานสี่แต่ยังมีมิจฉาทิฏฐิที่เกี่ยวกับเรื่องอัตตาและยึดถือภาวะในฌานนั้นว่าเป็นนิพพานก็มีลัทธิเช่นนี้พระพุทธเจ้าทรงปฏิเสธผลที่ต้องการจากสมถะตามหลักพุทธศาสนา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 สมาธิอย่างนี้มีชื่อเรียกพิเศษว่าอานันตริกะสมาธิบางแห่งเพี้ยนเป็นอนันตริกบ้างอนันตริยะบ้างอนันตรยะบ้างอนันตริกะสมาธิแปลว่าสมาธิที่ให้ผลต่อเนื่องไปทันทีคือทําให้บรรลุอริยผลทันทีไม่มีอะไรขั้นหรือแทรกระหว่างได้สมาธิชนิดนี้พระพุทธเจ้าทรงสรนเสริญว่า ไม่มีสมาธิอื่นใดเทียมเท่าถึงหากจะเป็นสมาธิระดับต่ำก็ถือว่าประเสริฐกว่าสมาธิอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสมาธิระดับรูปฌานหรืออะรูปฌานก็ตามจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาสำเร็จได้ด้วยวิปัสสนาคือการฝึกอบรมปัญญาที่มีสมาธินั้นเป็นบาทฐานหากบรรลุจุดหมายสูงสุดด้วยและยังได้ผลพิเศษแห่งสมถะด้วยก็จัดว่า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 ตรงข้ามกับสมาธิของผู้เจริญสมถะอย่างเดียวจนได้ฌานสมาบัติและอภิญญาแต่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้บรรลุมรรคผลแม้สมาธินั้นจะเป็นสมาธิขั้นสูงมีผลพิเศษแต่ก็ขาดหลักประกันที่จะทำให้ยั่งยืนมั่นคงผู้ใดสมาธิอย่างนี้ถ้ายัางเป็นปุถุชนก็อาจถูกกิเลสครอบงําทำให้เสื่อมถอยได้หรือแม้จะได้เจริญวิปัสสนา จนได้บรรลุมรรคผลชั้นพระโสดาบันหรือพระสกทาคามีก็ยังมีการมาราคะรบกวนหรือบั่นทอนสมาธิได้ท่านยังไม่เรียกว่าเป็นผู้บำเพ็ญสมาธิบริบูรณ์มีข้อน่าสังเกตว่าคมพีฝ่ายอภิธรรมคืออภิธรรมมัตสังคหะกล่าวว่าเมื่อพระอนาคามีสิ้นชีพจะอุบัติในชั้นสุตถาวาสแต่คำพีอภิธรรมมัตวิภาวินี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 คือเป็นสุขวิปัสสกะไม่ได้จะตัวชานจะไปอุบัติในสุทธาวาสได้อย่างไรคำพีอภิธรรมมัทธวิภาวินีคงจะกลัวมีผู้สงสัยเช่นนี้จึงอธิบายว่าพระอนาคามีเหล่านั้นแม้จะเป็นสุขวิปัสสกะแต่เมื่อถึงเวลาจะมรณนะย่อมอย่างสมาบัติให้เกิดขึ้นได้โดยแน่นอนทีเดียวเพราะเป็นผู้บำเพ็ญบริบูรณ์ในสมาธิอยู่แล้วอย่างไรก็ดี บาลีฝ่ายพระสูตรที่ทุติยชาณสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาศแสดงว่าผู้ได้ปฐมชาญบ้างทุติยชาญบ้างตติยชาญบ้างจะตุตตชาญบ้างเมื่อเป็นอนาคามีแล้วล้วนอุบัติในสุทธาวาสทั้งนั้นในกรณีนี้อัตถกถาก็ไขความออกไปอีกว่าพระอนาคามีเหล่านั้นเจริญจตุตตชานได้แล้วจึงอุบัติ ความที่ชี้แจงต่อ น, นี้ยังสัมพันธ์กับเรื่องเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์ที่จะกล่าวต่อไปอีก